นะโมตัสสะพะกวะโตอรหมมาาะโ ต, ตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตะมันเตต วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งที่คณะสิทธิานุสิ์ของท่านพระครูจิตตภาวนายานหลวงพ่อชาลีธีรธรมโมเจ้าคณะอาเภอนายุงและก็เจ้าวาดวัดป่าภูกอนที่เป็นที่รักเคารพของพวกเราคณะสิทธิานุสิ์ทางหลายวันนี้เป็นวัน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 ป่าเข้าไป47อายุของท่านก็พอสมควรแล้วก็ท่านบวชแต่อายุยังน้อยหนุ่มบวชพอกครบอายุครบบวชท่านก็เลยบวชเป็นพระจังแต่บัตรนั้นมาท่านก็เป็นผู้ดำรงอยู่ในเพศจมณะเที่ยวทุรงเที่ยวป่ า, า, าผ่านรงมาผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านภูผาป่าไม้มามากต่อมากตามประวัติของท่านไปทุกหัวละแหงในภาคอีสานไปถึงประเทศลาวในในถินนี้ตรงไหนที่หรวงพ่อชาลีของเราไม่ได้ไปเที่ยวทุดดองในเขตภาคอีสานท่านได้ไปทุกแห่งหนจนที่สุดก็เมื่อท่านมีอายุขึ้นมาพอที่จะลงหลักปรักสานได้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 ไม่ใช่พระธรรมดานะพระสวยงามที่สุดในโลกนะถ้าไม่เชื่อก็ให้ขึ้นไปดูก็ได้สวยงามจริงๆนะอันนี้แหละคือท่านหลวงพ่อจารีก็เป็นหลักเป็นประธานสงฆ์พร้อมกับคุณโยมปิยวันคุณโยมโอลานที่ฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาพร้อมกับลูกหลานบริวารของท่านพร้อมกับคณะญาติญาติโยมทุกหมู่เหล่าให้ัให้การสนับส น, นุน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 แล้วก็พวกเราก็ได้รับโอวาทของท่านก็เป็นที่ประทับใจจากนั้นพวกเราก็ได้มาบำเพ็ญบุญกุศลที่วัดปา่าภูพ้อนแห่งนี้วันนี้ก็เป็นวันมงคลมหามงคลอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเพราะนั้นขอให้คณะรทาญาิโยมทุกหมูเ่เหล่าการมาบำเพ็ญบุญกุศลในครั้งนี้ไม่ใช่มามาทาบุญให้หลวงพ่อชาลีมาพวกเรามา รำลึกถึงที่หลวงพ่อชลีท่านอายุครบ67ปีท่านบําเพ็ญคุณงามความดีมามากพวกเราในฐานะศิษย์ลูกหลานคณะสัทยาญาิโยมก็ถึงวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลสำหรับศิษย์พวกเราได้มากราบคารวะอโวยอวยพรให้ท่านมาแสดงความมุทิตาสักกะะมาแสดงความเคารพใน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 แต่ถึงอย่างไงก็ขอให้พวกเราลำลึกไว้อยู่เสมอว่าการปฏิบัติธรรมหรือว่าการบำเพ็ญกองการแลกุศลนี้ถึงหลวงพ่อชาลีของท่านทำท่านก็ทำสำหรับของท่านเองเป็นส่วนมากที่จะเฉลือเผื่อแพ่สำหรับพวกเรานั้นพวกเราก็จะต้องนำทำคำสอนของหลวงพ่อชาลีหรือแนวปฏิบัติของหลวงพ่อชาลีนำมาประพฤติปฏิบัติที่ท่านแนะนาสั่งสอน ที่ท่านแนะนำสั่งสอนอย่างไรพวกเราก็ได้นำทำคำสอนของท่านมาปรับปรุงกายว่าใจาใจของเราอันนั้นจึงจะเป็นของเราแต่ถ้าหาว่าพวกเราที่มากราบมาไหว้หลวงพ่อชาลีหลวงพ่อชลีท่านก็เป็นสมบัติของท่านแต่เมื่อเรานำทำคำสอนของหลวงพ่อมาปฏิบัตินั่นแหละจึงจะเป็นของเรานี้ก็เหมือนกันนี้หลวงพ่อเปรียบเทียบกับทำคำสอนของพระพุทธเจ้า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 ก็ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะพระไตรจ้าเองท่านก็บอกว่าดูก่อนสารีบุตรที่เราตถาคตแสดงธรรมหรือพูดจบลงไปนี้พวกท่านมีความเห็นอย่างไรเชื่อไหมที่เราตถาคตพูดไปภาษาในบตรยังแบ่งรับแบ่งสู้ยังก่อนพระเจ้าข่าเพราะข้าพระองค์ยังไม่ได้นำยังไม่ได้นําไปประพฤติปฏิบัติดูข้าพระองค์ยัง ยังไม่ยอมรับว่าเป็นความจริงหรือไม่ความจริงจนกว่าข้าพระองค์จะได้นําไปประพฤติปฏิบัติตูแล้วข้าพระองค์จะมากราบถวายรายงานและถวายความประพฤติปฏิบัติต่อพระองค์เมื่อภายหลังอันนี้ก็คือทําคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าพูดอย่างไงตรัสอย่างไรแล้วก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาเชื่อทั้งหมดอันนั้นไม่ใช่เพราะว่าเส้นะ ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เสนามักคีกาเสนามัคคีกาเนะี่ยคืออาจารย์ว่าอย่างไรลูกศิษย์ก็ต้องว่าตามอย่างนั้นเพราะนั้นลูกศิษย์ก็ต้องมีเหตุมีผลเหมือนกันแต่ว่าถึงยังไงไม่เข้าใจก็ต้องมาศึกษามาซักไซซักไซไล่เรียงถามพระอาจารย์พระอาจารย์ก็อธิบายให้ฟังเพราะท่านผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านหลักธรรมวิันมา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 แต่ก่อนหน้านี้บา ร, รมีของเรายังอ่อนเราก็ยังเสียสละได้พระสงฆ์ทหลายกราบพูลพระพุทธเจ้าวา่าสมัยไหนพระเจ้าค่ะพระองค์บอกว่าสมัยหนึ่งพระเจ้ากรุงราชคฤห์พระเจ้าแป่นดินกรุงราชคฤห์นะแอบครองราชต่อมาได้อคคเหษสีแล้วก็ได้ลูกชายแอบเป็นราชกุมารชื่อพมทัตพรมทัตก็มีเพื่อน เกิดขึ้นมาพร้อมกันเป็นลูกโปโลหิตจากนั้นท่านก็พออายุ16ปีเลี้ยงมาด้วยกันทั้งลูกปโลหิตและลูกพระราชาจากนั้นพออายุ16ปีก็พ่อแม่พ่อก็ไปส่งไปเรียนเมืองตะกะศีลาเมืองตะกะศีลาคือเมืองทาริบันทุกวันนี่นะอันนี้แหลเมืองตะกะศีลาสมัยก่อนนะไปเรียนที่เมืองทาลีบันทุกวันนี้จากนั้นท่านก็ไปเรียนกับทิสปาโมกอาจารย์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 มีศาสนาอะไรบ้างประจำชาติของแต่ละกลุ่มของตนเองเพราะนั้นยุค ส, สมัยนั้นศาสนาก็มีมากท่านก็ไปเรียนอักอษรศาสตร์ด้วยศาสนาด้วยตามหัวเมืองต่างๆแต่ท่านี้พอไปถึงกรุงพารานสีพอไปถึงกรุงพารานสีเนี่ยพลามสองเพื่อนสหายนก็เป็นลือสีท่านีทำตนเป็นลือสีเพราะว่าเดินทางไปธรรมดาเนี่ย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 โลกของปโลหิตใต้จานเห็นฤาษีผู้ที่เป็นเจ้านายของตนเองนั่งพรมขาวตัวเองนั่งพรมแดงก็ทำนายในเดี๋ยวนั้นเลยว่าลูกพี่ของเราเนี่ยจะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินแน่ในวันนี้เพราะมันบอกบ่งบอกถึงบุญบรารมีอันนี้คล้ายๆว่าเป็นเครื่องบ่งบอกแล้ว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 ทั้งที่เป็นเพื่อนกันนะเล่นมาด้วยกันแต่เคารพยังเคารพอันนี้คือข้าพเจ้าเป็นลูกปุโรหิตแต่ท่านเป็นรูปของพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าฟ้าชายจะจะแดงต้องจะแดงความเคารพก่อนเวลานอนเลยก็ลูกปโรหิตที่เป็นเพื่อนกันก็นวดฝ่าเท้าให้นะใครเขาว่าเป็นผู้นวดฝ่าเท้าท่านลูกพระเจ้าแผ่นดินทื่พระเจ้าพมทัศเลยก็ลูกฟ้าชายก็นอนหลับไป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 เขาเลยถือกันอย่างแข่งรัดเขาก็เสี่ยงทายว่าผู้ใดมีเป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่ที่จะมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินของพวกเราได้ในยุคในคราวนี้เขาค็เสียงทายบอกเทสกเกเทพเจ้าเหล่าเทวาแต่ทุกวันนี้ก็คงจะกล่าวถึงพระสยามเทวาที่ราชก็คงจะลักษณะอย่างนั้นแจากนั้นเขาเขาก็เสียงทายด้วยราชรส พอราชรถวิ่งออกมาก็วิ่งเข้ามามาถึงอุทยานที่พระเจ้าพมประทัดฟ้าชายพมประทัดนอนอยู่แช่นศิลาอาจพอเข้ามาลูกชายที่เป็นปโปรหิตที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยเห็นราชรถเข้ามาเลยก็หลบหนีเลยโอ้เราไม่เอาเราไม่เป็นอุปราชเราจะบวชเป็นลือศีดีกว่าเราจะเป็นลือีเราจะประพฤติพมประจันหลังจากนั้นก็ราชรถก็วิ่งมาพมมากันมาจอด พวกพราหมณ์ทั้งหลายเขาก็ลงมาดูมาดูกันมาตรวจ ด, ดูฝ่าเท้าโอ้คนนี้เป็นผู้มีเป็นผู้เป็นผู้มีบุญหนักศักย์ใหญ่ฮะเขาดูฝ่าเท้านะเป็นผู้มีบุญหนักศักย์ใหญ่เขาคงจะดูหัวแห้งทุกวันอย่างทุกวันนี้ก็คงจะลักษณะอย่างนั้นแต่สมัยก่อนเขาก็ตำราพราหมณ์เขาก็ดูฝ่าเท้าดูฝ่ามือดูใบหน้าฮะ แต่นี้เขาก็เห็นว่าฝาเท้าหุดคนเช่นนี้จะต้องเป็นผู้ใหญ่ในแผ่นดินปกครองหมู่พวกเพื่อนได้แน่จากนั้นเข า, เขาก็ประครมกองระครังแต่แตสงบกขึ้นมาพร้อมกันแต่นี้ผมมาท่านกักโผล่หน้าขึ้นดูโผล่หน้าขึดูท่านก็ไม่สะทกสะทานผู้ที่จะเป็นใหญ่เขาจะไม่ตื่นตนกนะจะไม่ตื่นกับเสียงต่างๆยินเนินเน น, น, นทาสัรเสือนอะไรเขาจะไม่ตื่น เขาจะโผล่หน้ามาดูจากนั้นเขาก็หก่มนักห่มผ้ากับคืนมาเดี๋ยวเขาก็นอนนิ่งจากนั้นเขาก็ตรวจดูฝาเท้าเสร็จแล้วท่าก็ลุกขึ้นม า, เ, าเป็นไรมา้าอะไรพวกพรามณ์ทั้งหลายก็ว่าพระเจ้าแผ่นดิน เ, เมืองข้าพเจ้าจะขอยกให้ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินรักปกครองเมืองพ ร, ราณศรีพวกพระเจ้าแผ่นดินของพวกท่านไปไหนสวรรค์นรมาได้เจ็ดวันแล้วก็ได้ถวายพระเพลิงไปแล้ว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 พอเป็นพระประเจกบริขารก็ลอยมาพอลอยมาเสร็จแล้วท่านก็อัฐบริขารสวมท่านท่านก็เหาะจากที่แทน่นบรรลังไปถูกเขามูลมู ล, ละกระป่าหิมะพานก็อยู่กับพวกประเจกพุทธต่อไปทางพระเจ้าแผ่นดินพมทัยที่เป็นเพื่อนกันนี่ก็เสวยความสุขทางโลกีแต่เพื่อนนี่ก็เป็น สวความสุขที่ท่านได้เป็นพระปัเิเจกพุทธเจ้าเป็นพระอราหันต์แล้วนี่แหละถึงสี่สิปีพอถึงสี่ปีท่านก็บนบนบนบนพระปฏิจเจกพุทธเจ้าท่านก็มีอดีตคล้ายคล้ายว่ามียานรัศนะมองมาดูเพื่อนโอ้เข้าบ่นหาเราท่านก็เลยเหาะมาทางอากาศมาอยู่ลงสวนอุทยานก็เลยบอกในอุทยานว่า เ, เราเนี่ยเป็นเป็นปัจเจกนะ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 ดำลงราดจะพิถทดทศพิถราชธรรมสมบูรณ์อยู่เหรอพระองค์ดูแลพี่น้องประชาชนด้วยความเมตตาอยู่เหรออยู่ตั้งอยู่ในพรมวิหารสี่อยู่เหรอท่านม like ีศี่ห้าอยู่เหรอท่านมีทศพิถราดจะทมอยู่เหรอพระเจ้าเปรตเองก็ยอมรับทุกอย่างว่าปกครองปกครองโดยธรรมแต่พระพระปเจกพุทธเจ้าเนี่ยมองเห็นเอกมหาบุพพิต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 ทางพระเจ้าแผ่นดินนี่ท่านติดเรื่องลาบเรื่องยศเรื่องครอบครัวโอยข้าพระองค์บวชไม่ได้หรอกพระเจ้าข้เพราะข้าพระองค์ติดครอบครัวติดลาบยศทุกอย่างข้าพระองค์บวชไม่ได้ใครเข้ามางงเลยพ่อเพื่อนชักชวนให้บวชพระ่อปเจศชักชวนให้บวชแต่พระปเจศไม่ลดละความอุตสาหะเลย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 คนจะออกบวชถ้าไม่ออกบวชเนี่ยคือนรกเป็นเบื้องไปแต่ถ้าออกบวชมีศีลห้านั่นเลยจะเป็นฤาษีจะพรมโลกเป็นที่ไปเเราควรจะแนะนําให้บวชเท่านั้นะอันนี้คือเพระปฏิเจกท่านก็มองเห็นอดีตอนาคตของเพื่อนของท่านคือโปรดเมตตาจากนั้นเท่าก็เทศให้ฟังแต่พระเจ้าแผ่นดินเนี่ย ลักษณะหัวเด็ดตีนขาดไม่ยอมถอยเหมือนกัะเถอคนโบราณเขาท่านก็พูดในะพระไตรปิฎกว่าคนเราเนะี่ยมันมันมีคล้ายๆบอกพอพระปฏิเจตนั่นแหละ่ะมันคล้ายๆกับมันงงเอ่งงงวยงงไปหมดไม่รู้จะเดินทางไหน เ, เพราะว่ากิเลสของมนุษย์กิเลสของคนเนะ่ยมันเต็มไปด้วยกิเลสเลาขะบังโทสะบังโมหะบ้างคร อ, อบงําโลภโกรดหลง แล้วก็มันมีนความลุ่มหลงมัวเมาในยศถาบรรดาศักดิ์ของตนเองอีกต่างหากเพราะนั้นมันหนีไม่ได้พระปฏิเจก็ท้งสงท้ายว่าพระองค์ถ้าจะอยู่อย่างนี้คือนรกเป็นทางไปแต่ถ้าหากว่าพระองค์หลีกออกทางออกบวชพระองค์จะผอมมะโลกเป็นทางไปฟังเอาเลือกเอาไปแล้วกันอาตมาพูดได้เพียงเท่านี้จากนั้นพระปฏิเจกพุทธเจ้าท่านก็ เหาะเลยยเ mm. ออเหาไปที่ในที่พักของท่านเนที่เขาเขามู ล, ละกะที่ป่าหิมะผ่านส่วนพระเจ้าแผ่นดินนี่ปนมมือจนจุดสายตาจากนั้นท่านก็บอกเรียกพวกลูกชายผู้ใหญ่มาเอ้ยลูกเอ้ยถึงพ่อได้ฟังพัธมเทศนาของพอระปเจกวันนี้แล้วเออพ่อต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเอาเธอมอบ สมบัติให้แก่ลูกนะพ่อน่ยจะออกบวชแหละพ่อจะเป็นฤาษีอย่างที่พระปฏิเจตแนะนําสั่งสอนเอาเถอะนะพ่อจะบวชนะนะอันนั้นคือการบวชครั้งยิ่งใหญ่ทั้งที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินใหญ่ในกรุงพาราณสีใหญ่กว่าครั้งที่เราเป็นศรีทัต tha แต่คราวนั้นท่านยังเราบารมีของเรายัางอ่อนจากนั้นเราก็บวชบวชแล้วก็ไปบําเพ็ญอยู่ในป่าบําเพ็ญศีลสมาธิปัญญาจากนั้นเราก็ได้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 กันไปหมดอันนี้พระองค์หนีกลางคืนไม่ใช่หนีหลอกๆอกหนีจริงจริงจากนั้นพระองค์เขไปอยู่ในป่าไปถึงแม่น้ําอโนมาณทีจากนั้นก็ทรงพนวดบวชพอบวชเสร็จแล้วพระองค์กับภาวนาวอะไรตั้งอกตั้งใจภาวนาบําเพ็ญลองผิดลองถูกลองเหมือนกับลองวิทยาศาสตร์อย่างนั้นเป็นเวลาถึงหปีสูตรสําเร็จคือวันเดือนหกเพนพระองค์ได้ นั่งภาวนานั่งภาวนาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเพรา ะ, ะนั้นคณะสัตยาญาติโยมทุกทุกท่านเรื่องสติเป็นเรื่องที่จาเป็นสำคัญอย่างมากสติสัมปชัญญะนการที่จะภาวนาที่จะได้ญารษษณรัตนจะจะจิตจะสงบ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 เพราะนั้นเราจะไปสมมุติว่าเท้าต่าสิถ้าใครเป็นสมมติว่าเท้าต่าตัดเท้าทิ้งไอเอาหัวเดินจะเดินได้ไหมเดินไม่ได้เพราะนั้นเท้ากับเท้ากับหัวเท้ากับศีรษะเสมอกันเราให้ความสำคัญเสมอกันไม่มีอะไรย่อหย่อนกว่ากันในร่างกายเพราะนั้นถึงถึงถึงเราจะก้าวเดินเราก็ก้าวกับพุทโถเวลาเราอยู่เรานิ่ง เ, เราก็ไม่ได้กระดุกกระดิกมีตลมหายใจเข้าออก เ, อเราก็ต้องดูพุทโถ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 เพราะเราเคยชำนาญในการนับมีอะไรเราก็นับนับเลขนับเงินอะไรนับแต่ถ้าเรานับลมหายใจเข้าหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองนับให้ถึงร้อยในเมื่อนับถึงร้อยถ้าเราไม่เผลอกลับมานับไปเอกนับสักสิครั้งถ้าไม่เผลอไปว่าใช้ได้แต่โดยมากมันจะเผล่นะพอนับไปหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสอง นับหนึ่งคือเลขขี้นับสองคือเลขคู่ขี่คู่ที่คู่ที่คู่ไปถึงร้อยแต่พ่อมันจะเผลอเด็กพ่อนับไปถึงสิบยี่สิบนะเออพอมันจะเบอร์เบอร์มันจะเป็นเลขคู่ขี้คู่ขี้มันจะกลับกันนะเออให้ให้คณะสัตว์ไทยา ญ, ญาติโยมทดลองดูนะอย่างที่หลวงพ่อพูดจะเห็นได้ชัดแต่ถ้าหากว่าพวกเราภาวนาไปแล้ว มันเผลอแล้วนับไม่เท่าไร่เผลอแล้วนับเท่าไหร่เผลอแล้วอันนั้นอย่าไว้วางใจถ้าเผลอมากๆเป็นบ้าได้ไง่ายๆคนที่ขาดสตินั่นแหะคือคนบ้าเพราะฉะนั้นเราอย่าให้ใจถึงขนาดนั้นลองพยายามฝึกสติฝึกสติสัมปชัญญะเมื่อเรามีสติอยู่กับตัวเองคนนั้นจะเป็นบ้าได้อย่างไรเพราะนั้นขอให้พวกเราฝึกสติอยู่กับตนเองแต่เมื่อ ส, สติของเราดีแล้วสมาธิก็จะเกิดขึ้น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 เพราะนั้นก่อนที่จะทิ้งจุดนั้นเรามีคุณงามความดีเป็นที่อุ่นใจและหยักเรามีบุญกุศลเป็นที่อุ่นใจและหยักเรามีศีลสมาธิทานศีลภาวนาเป็นที่อุ่นใจและอยักพอตายแล้วไม่สูดตายแล้วเกิดอีกทําไมจะว่าเกิดอีกเพระพระเจ้าไปค้นคว้าศึกษาดูแล้วพระองค์บอกว่าปุเพเพในวาสานุสติยานระลึกชาติผลหลังได้ถ้าตายแล้วสูญจะระลึกชาติผลหลังได้ไหมพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายลุงปู่มั่น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 เพราะนั้นขอให้คณะสัตยาญาติโยมทุกหมู่เหล่าให้ศึกษาเรื่องทำคําสอนของพระพุทธเจ้าทำคําสอนของพระพุทธเจ้าต้องศึกษาเหมือนกับวิชาทั่ทวไปวิชาในโลกก็มีต่างมากมายมหาศาลพวกเราอย่าไปทะนงตนถ้าใครก็ตามว่าข้ารู้ทั้งหมดอ น, นั้นคือโง่ที่สุดถ้าว่าพวกเราพวกเราเกิดมาในโลกนี้เราต้องศึกษาอย่างที่พระเจ้าพ ม, มาทัศน์กับเพื่อนของท่านพอเรียนจบจัด จากทิศปะโมกอาจารย์แล้วท่านยังไปเรียนภาษาศาสตร์เชิงประาศาสตร์และกษัตร์ศาสน า, าในในยุคนั้นสมัยนั้นนี่แหละคือการศึกษาไม่มีที่สิ้นจุดพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อได้ยินธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายประพฤติษปฏิบัติพยายามสั่งสมคุณงามความดีพยายามศึกษาและจะพยายามภาวนา อย่างที่หลวงเอ๋ที่อาตมาได้กล่าวได้แนะนำว่าให้ภาวนาพุทโธตามที่หลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านแนะนำ เ, เราให้ฟังเอาไว้ถึงอย่างไรเราให้เชื่อมั่นในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็ดีหลวงปู่สาวก็ดีครูบาอาจารย์ของเราเกือบทุกอง ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อท่านล่วงลับดับขันไปเมื่อท่านปรินิเมื่อท่านมรณาภาพลงไปเราได้ถวายพระราชทานเพลิงท่านหรือถวายเพลิงท่านจบไปแล้วเราได้เก็บอฐิธฐานของท่านมาเพื่อสักระบูชาโดยมากจะเป็นพระธาตุเกือบทุกองเพราะนั้นให้เราเชื่อมั่นว่าสายของหลวงปู่มั่นคือสายพระอรหันต์่าพูดอย่างนั้นได้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 เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราบำเพ็ญคุณงามความดีมาเป็นที่พอใจแล้วถึงข้าวเราแล้วเหรอถึงข้าวไปของเราแล้วเหรอถึงขราวอายุของเราจบเพียงแค่นี้เหรอมันก็รรู้จักปล่อยวางยศทุกคนจะอยู่โชว์ฟ้าดินสลายได้ยังไงนี่แหละมันปล่อยวางอยู่ที่ใจใจของเราจะเข้มแข็งเออเพราะจิตใ จ, จที่มีธรรมถ้าจิตใจไม่มีธรรมก็อย่างว่าเ อ, อรู้สึกว่า ว่าเวอ้างวางเงียบเหงาซึมเศร้านะเมื่อถึงจุดนั้นเพรา ะ, ะนั้นให้ฝึกเอาไว้เรื่องจิตภาวนาเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆท่านไม่ใช่หน้าที่ของพระอย่างเดียวนะเรื่องภาวนานะเป็นหน้าที่ของคณาพรสัทาญญาทายาติโยมทุกหมู่เหลา่าเพราะฉะนั้นการพูดและการแสดงธรรมในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาที่อัตมาภาพประยกเป็นพุทธภาษสีเบื้องต้นว่าปูชาจะปูชนียานัง เอตมังคารมุตตมังบูชาบุคคลที่ควรบูชาหลวงพ่อในยกหลวงพ่อชาลีของพวกเราเที่พวกเรารักเคารพนับถือจิตญาณุศิทศท์ทั้งหลายได้มาแสดงมุทิตาสการะในวันนี้นะับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ บ, บุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ บ, บุญบารมีของหลวงพ่อชาลีของพวกเราขอให้คุ้มครองคณะสิทธิญนุสิทธิทั้งหลายปราศธนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมข อ, ขอให้สมหวังดังปราศธนาทุกประการเทิด